นะโมทัสสะพระครวตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอิิปิโสพะระครวาอรหังสัมมาสัมพุทธโฆวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตรโรภุริสธ ร, รมมาสาปฏิ ศรัทธาเทวะมนุษาหนังพุโทโธพระควาสมเด็จพระผู้มีประภาพเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอระหันทรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เองทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะคือความรู้และความประพฤติเสด็จไปดีคือไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั้นทรงรู้แจ้งโลกทรงเป็นสารถี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 จัดรมและบรรยายโดยสนทิชัยโทยโชคทรัพย์สินมวันที่หนึ่ง เจ้าทุกพระองค์ก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นล้วนจะได้ตั้งความปรารถนามาเนิ่นนานเริ่มตั้งแต่ตั้งความปรารถนาด้วยใจนับเป็นเวลาอย่างน้อยถึงเจ็ดอสงไข์ขยกับปรารถนาด้วยวาจา9ก้าอสงไข์ขยกับและปรารถนาด้วยกายและวาจาสี่อสงไขยแสนกับใ น, นระหว่างที่ทรงบำเพ็ญบา ร, รมี เพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์แบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันคืออนิยตตาโพธิสัตว์กับนิยตตาโพธิสัตว์อนิยตตาโพธิสัตว์นั้นคือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้ต่อสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตส่วน นิยตะโพธิสัตว์นั้นคือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์แล้วจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนิยตะโพธิสัตว์นั้นมีสมประเภทด้วยกันคือ 1. ปัญญาธีกะโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีสอสงไขยกับอีกแสนกัดสองศรัทธาทีกะโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญบารมีแปประสงค์ไขกับอีกแสนกลับสาื่อริยาทิกะโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีส6หประสงค์ไขกับอีกแสนกับพราผู้มีพ ร, ร, ร, ระภาคเจ้าของเราทั้งหลาย ทรงบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกัปจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาที่กะโพธิสัตว์เพราะกําลังแห่งพระปัญญาอินทรียีแรงมากพระองค์ทรงปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้านับได้ย0สบอสงไขยแสนกัปคือปรารถนาด้วยใจเจ็ดอสงไขยปรารถนาด้วยวาจา9้าอสงไขยปรารถนาด้วยกายและวาจาสอสงไขยแสนกัป พระบริษัทมีจิตที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ น, นับชาติไม่ทวนด้วยจิตที่คิดว่าเราจะรู้แล้วจะให้ผู้อื่นรู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วย นี้คือการตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นด้วยใจเป็นครั้งแรกของพระโพธิสัตว์ในภพชาติที่เกิดเป็นคนยากจนสละชีวิตแบกมารดาของตนว่ายน้ําข้ามมหาสมุทรขณะที่เรือสำเภาอับปางเรียกว่าประทมจิตตุกประบาทการตั้งแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์เลี้ยงดูมารดาจนตลอดอายุไขครั้นสิ้นชีพ ก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกในพระชเติอื่นๆพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกบังเกิดเป็นพระราชาทรงพระนามว่า สัตตุตาปณะนะครั้งหนึ่งเสด็จเรียบพระนครด้วยช้างพระทินั่งอันฝึกมาดีแล้วเมื่อพระองค์ทรงทราบว่ามีฝูงช้างป่าเข้ามาทําลายพืชพันในพระราชทยานจึงเสด็จไปทอดพระเนตรความเสียหายนั้นขณะกำลังตรวจบริเวณอุทยานอยู่ช้างพระทินนั่งได้กลิ่นช้างผงก็เกิดอลวาวเมาออมันด้วยการราคะตรัดควานช้างตกลง แล้วเตลิดนี้เข้าป่าตามกลิ่งช้างพังไปพระราชายังประทับอยู่บนช้างเชือกนั้นแม้จะทรงกระชากด้วยพระแสงขอก็มิอาจทําให้ช้างพระที่นั่งหันกลับพระราชาทรงเหนียวกิ่งมะเหลือไว้ได้ประทับนั่งอยู่บนกิ่งมะเหลือนั้นแล้วราชบริพารพากันตามรอยเท้าช้างมารับแล้วเสด็จพระราชากลับสู่พระนคร สามพระที่นั่งครั้งเรื่อนรมกับนางช้างแล้วก็กลับมาสู่ยังโรงช้างที่อยู่ตามเดิมของตนพระราชาทราบความตรัสถามควานช้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นควานช้างได้กราบทูลว่าขึ้นชื่อว่าราคะร้ายแรงยิ่งกว่าพระแสงขอร้อนยิ่งกว่าไฟมีพิษยิ่งกว่าพิษงูพระโพธิสัตว์สลดพระไทยตรัมพึงว่าราคะนี้ร้อนยิ่งนัก สัตว์เหล่านี้อาศัยราคาแล้วต้องเสวยทุกข์มีประการต่างๆจากกระนั้นเลยเราจะขอเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องตนให้พ้นจากราคาเถิดพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าเราตัดสิรูแล้วจะให้ผู้อื่นรู้ด้วยเราพ้นจากกิเลสแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามโลกได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วย มหาสมุตรคือวัตถุสงสารนี้มีไทยมากพระองค์ทรงตั้งพระไัยและสัตว์อย่างนี้แล้วทรงสลระราชสมบัติเสด็จเข้าป่าหิ ม, มะานทรงถนวดเป็นพระดาบทดำรงตลอดจนพระชนมายุครั้นสิ้นพระชนชีพก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลก นี้เป็นการตั้งความปรารถนาด้วยวาจาของพระโพธิสัตว์ทันถึงการต่อมาพระโพธิสัตว์จุดิจากเทโวโลกงเกิดในตระกูลพรามเมื่อบิดามารดาสิ้นชีพแล้วก็ได้บริจาคทรัพย์ทั้งหมดออกบวชเป็นดาบทอยู่ที่ภูเขาอันทะรักวันหนึ่งเห็นแม่เสียตัวหนึ่งทำท่าจะกินลูกของตนที่เชิงภูเขาจึงบอกกับหัวหน้าสิ ให้ไปสแสวงหาอาหารอื่นมาให้แม่เสือกินแทนที่จะกินลูกของตัวเองพระโพธิสัตว์เล็งเห็นว่าร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเกลือกลัว่าบาปอกุศลมิใช่น้อยและเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์จึงทรงค้นหาอุบายที่จะปลดปรื้มความทุกข์นั้นเห็นมีเพียงพุทธการกธรรมคือธรรมที่ให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นครั้นพิจารณาดังนี้แล้ว พระบุริษจัดจำริว่าผู้ที่ไม่ได้บำเพ็ญพุทธการรกธรรมอัน ญ, ญาจยิ่งไม่สละสิ่งที่สละยากไม่บริจากสิ่งที่บริจากยากไม่อดทนต่อสิ่งที่อดทนยากก็ไม่อาจที่จะบรรลุพุทธภูมิได้แน่นอนดังนี้แล้วพระองค์จึงกล่าววาจาตั้งสัตยาที่ฐานว่าด้วยบุญอำนาจนี้ขอให้ข้าพเจ้า ได้ตระสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตภายภาคข้างหน้าขอให้ข้าพเจ้าช่วยสัตว์ทั้งหลายให้สิงความดับสิทธิ์แห่งสังสารทุกเธอช่วเวลาที่หัวหน้าสิทธิ์ยังไม่กลับมาพระโพธิสัตว์ได้ทิ้งตัวลงจากยอดภูเขาปันทระตกลงมาตรงหน้าแม่เสือ แม่เสือเห็นร่างของพระโพธิสัตว์แล้วงดกินลูกของตนหันมากินร่างของพระโพธิสัตว์แทนพระโพธิสัตว์ได้ไปบังเกิดในเทวโลกด้วยกุศลกรรมนั้นนี้เป็นการตั้งความปรารถนาด้วยกายและวาจาของพระโพธิสัตว์ ของสุเมธาดาบทซึ่งตั้งความปรารถนาที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยได้รับพุทธภรรยากรเป็นครั้งแรกจากพระที่ปังกรพระพุทธเจ้าการบำเพ็ญพุทธการกรรมและได้รับพุทธภรรยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์งอื่นๆอีก23พระองค์โดยลําดับจนถึงจุดติจากอัตภาพที่เป็นพระเวสสันดรบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ในมัทูรัตถ์วิลาชนีอตตะถาคุตกรรนิกายพุทธวงศ์กล่าวไว้ว่าในครั้งอดีตพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลครามมีนามว่าสุเมธะอยู่ในรรพระนครอมรวดีเพืนจบปลายเพศเมื่อบิดามารดาหาชีวิตไม่แล้วสิริวัฒกะผู้ดูแลทรัพย์สินได้นำบัญชีรทรัพย์สินมาแสดง และเปิดคลังที่เต็มไปด้วยเงินทองแก้มณีและมุกดาแจ้งทรัพย์สินตั้งแต่สามชั่วตระกูลว่าทรัพย์ประมาณเท่านี้เป็นของบิดามารดาประมาณเท่านี้เป็นของปู่ย่าตายายและทวดของท่านและกล่าวว่าขอท่านจงปกครองทรัพย์สินนี้ต่อไปเถิดซซเมท่าบัณฑิตคิดว่าญาติทั้งหลายมีบิดามารดาของเราเป็นต้น บูชาหารวบรวมทรัพย์สินเหล่านี้ไว้เป็นอันมากถึงอย่างนั้นเมื่อจะไปสู่ประโลกก็ถือเอาไปไม่ได้แม้แต่กระ ห, ประหัปันะเดียวควรที่เราจะทำเหตุแห่งการถือเอาไปได้จึงกราบทูลแก่พระราชาให้ตีกรองล้องกปล่าประกาศในพระนครบริจาคทานแก่มหาชนแล้วออกบวดเป็นดาบทบจความเนพนทรสยูณนะวราลาที่ภูเขาชื่อว่า นิไม่ไกลจากป่าหิมพานเมื่อครบเจ็ดวันก็ได้บรรลุ ก, กำลังแพงอภิญญาห้าสมาบัตแปดในการนั้นพระ บ, บรมศาสดา พ, พระนามว่าทีปังกรเสด็จกุบัติขึ้นในโลกจราสรู้แล้วทรงแสดงระบธรรมจักรให้เป็นไปพระองค์ พร้อมด้วยพระขีนาศพแรดล้อมเสดรจจารยกไปยังคามนิคมและราชธานีเพื่ออนุเคราะห์บรรดาสัตว์โลกให้ล่วงพ้นสังสารวัตรได้เสด็จมาอย่างรัมมนครทำเป็นสถานที่ประสูตรบรรดาอุบาสกอุบาสิกาชารัมมนครสับว่าว่าพระธีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสด็จมาสู่เมืองของพวกตนจางพากันแถวถางตกแต่งมัคคา เพื่อต้อนรับเสร็จอย่างสมพระเกียรติเหล่ามหาชนเตรียมจัดสร้างวันดกประดับประดาด้วยพวงดอกไม้ของหอมปูลาดพระพุทธอาจอันอบรมด้วยของหอมยกธงประตากยกธงชัยและธงแผ่นผ้าหลากสีและแพ่ถางทางที่พระทีปังกรพระพุทธเจ้า จะเสด็จดำเนินผ่านให้เรียบร้อยที่ใดเป็นที่ลุ่มก็นำดินมาถมให้ได้ระดับเสมอกันเพื่อความสะดวกของพระองค์และสงสาวกครั้งนั้นสุมเมธะดาบทประสงค์จะไปยังป่าหิมะผานด้านทิศเหนือ จึงเข้าจตุตฌานมีอภิญญาเป็นบาทออกจากชานแล้วขอไปเมื่อมองลงมาเห็นคนทั้งหลายกำลังร่าเริงยินดีพากันแท้าถางและตกแต่งพ้นทางอยู่จึงลงมาถามว่าท่านผู้เจริญพวกท่านแท้ถางทางเนี้เพื่อผู้ใดชนทั้งหลายกล่าวว่าก็เพื่อประโยชน์แก่พระทีฟังกรพระพุทธเจ้าสุมเมธาดาบท แต่สำหรับดังนั้นบังเกิดปิติโสมนัสคิดอยู่ในใจว่าอย่าให้การเช่นนี้ล่วงพ้นไปเลยแล้วกล่าวกับมหาชนต่อไปว่าหากท่านแพร่ทางทางเพื่อพระพุทธเจ้าก็ขอจงให้โอกาสจะเรา บ, บ้างเถิดแล้เราก็จะแพร่ทางทางอันปิดที่เสด็จดำเนินของพระพุทธเจ้าร่วมกับพวกท่านด้วย ที่สุเมธาดาบทตกแต่งทางนั้นยังไม่สำเร็จเรียบร้อยพระธีปังกรพุทธเจ้าแวดล้อมด้วยพระสกีนาสพทั้งหลายก็เสด็จมาถึงตรงทางนั้นเทวดาและมนุษย์ตามปรีดาปราโมทแส่ซ้องสาธุการพระคองอันชฉลีตามเสด็จพระสถาคตสุเมธาดาบทเห็นพระผู้มีพระภาพเจ้ากำลังเสด็จใกล้เข้ามาคิดว่า วันนี้เราควรสละชีวิตเพื่อพระโพธิผลคิดดังนี้แล้วจึงสยายผมปูล่าแผ่นหนังลงบนเปลือกตมนอนคว่ำหน้าท่าตนเป็นสะพานเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคิดว่าขอพระพุทธเจ้ารงทรงเหยียบหลังเราเสด็จข้ามไปพร้อมกับพระขีนาศพทั้งหลายเสมือนทรงเหยียบสะพานเทอด เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าใกล้ามาโดยลำดับสุเมธาดาบทได้เห็นพระรูปโฉมของพระทีปังกรพุทธเจ้าอันประกอบด้วยมหาปุริลักษณะ32ประการพร้อมอนุพยัญชนะแปสิเปล่งพระพุทธรัตมีงดงามสุเมธาดาบทก็ยิ่งเกิดปิติเรื่มใสตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานว่าเราจะบรรลุรัศมีจตุ ย, ยาน เป็นพระพุทธเจ้าในโลกจะยังมนุษย์โลกพร้อมทั้งเสวลโลกให้ข้ามพ้นโอคะห่วงน้ำคือกิเลส ข, ของหมู่สัตว์ด้วยกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ลำดับนั้นพระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จมาถึงหน้าที่นั้นรทัพยืนอยู่บนเรื่องศีรษะ ของสุมเมทะบันดิตตรัสพระคาถาว่าปิสุทังหลายพวกเคอจงดูดาบทผู้มีตะบะรุ่งเรืองนี้ในกับอันหาประมาณไม่ได้ระหว่างพัทธกับกับที่มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ดาบทนี้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระสถาคตจะเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสส์ทรงเริ่มตั้งความเทียน บำเพ็ญทุกรกิริยาพระองค์จะประทับนั่งนับควงไม้อาชาพารณิโครธทรงรับข้าปาญาสนักที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ําในรัญชลาจะเสวยข้าปาญาสนั่งเรียงฝั่งแม่น้ําในรัญชลาแล้วเสด็จเข้าไปยังควงไม้โพธิพฤกษ์ตามมค า, าอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้ต่อแต่นั้นพระองค์ผู้ทรงพระกิติคุณอันยิ่งใหญ่ ย, ย, ยอดเยี่ยม จะทำประทับสิงโพธิมณฑลและตรัสรู้นับควงไม้โพธิกลึกต้นไมาที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระเจ้านั้นชาวโลกเรียกว่าอสัต t h พระมารดาผู้ให้กำเนิดของดาบทนี้จะมีพระนามว่ามายาพระบิดามีพระนามว่าสุโทโธทนะดาบทนี้จะมีนามว่าโคดมพระเถระนามว่าสารีบุตรและโมคคลานะ จะเป็นพระอัครส า, าวกพระเถระนามว่าอานนท์จะเป็นพระอุปทาพระเถรีนามว่าเขมาและอุบลว น, นาจะได้เป็นอัครส า, าวิกาจิตตะขะบาดีและขัตถากาลวกาจะเป็นอัครอุบาสกนามอุตลาและนางกุจุตราจะเป็นอัครอุบาสิกา สุมเมธาดาบทได้สดับวพระํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วบางเกิดสมรับเป็นยิ่งนักคิดว่าพระํารัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐย่อมเที่ยงแท้ต่อไปในอนาคตการความปรารถนาของเราจะสําเร็จเราคงได้ต ร, รัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแม้หมาชนก็พากันร่าเริงยินดีว่าท่านผู้นี้ จะเป็นพุทธทางกูลคือหนอพระพุทธเจ้าต่างก็ตั้งความปรารถนาว่าในศาสนาของพระโรมาโล ก, กนาดพระองค์นี้ในอนาคตขอเราทั้งหลายพิงรู้แจ้งอริยสัจธรรมอันเป็นผลเลิศในเวลาที่สุเมธาดาบทนี้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระทศพลที่ปังกรและพระขีณาสพทั้งมวนทรงสนเสริมพระโิสัต บูชาด้วยดอกไม้แปดกำรรแล้วเสด็จไปต่อทับยังสุทัศน์มหาวิหารเราเทวดาบูชาพระโพธิสัตว์สัพธรทำประทักษิ์แล้วก็กลับไปยังวิมานของตนปวงชนชาว ร, รัมณานครบูชากราบไหว้แล้วตางก็กลับไปตราเตรียมอาศั์ที่สถานเพื่อถวายแก่พระบรมศาสดาและพระสง์สาวกในวันรุ่งขึ้นพระโพธิสัตว์ลุกจากที่ อันตนนอนอยู่หลังจากเทวดาและมนุษย์กลับไปแล้วคิดว่าเราจะค้นหาธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าจึงปูอาสนะแล้วนั่งลงเพื่อพิจนารณาก็ทราบว่าพุทธการะักะธรรมอันเป็นธรรมที่จะต้องบำเพ็ญเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ได้สังสมอบรมสืบกันมาจึงกล่าวสอนตนว่า พาเธอปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วไซขอเธอจงบำเพ็ญทานบารมีเถิดอันว่าภาชนะที่เต็มด้วยน้ำเมื่อวางคว่ำลงน้ำย่อมไหลออกหมดไม่ขังติดอยู่ในภาชนะฉันใดเธอผู้เห็นผู้ยากไร้ทั้งหลายแล้วจงให้ทานอย่าให้เหลือดึดภาชนะที่วางคว่มไว้ฉันนั้นพระโพธิสัตว์ ท่นเห็นทามบารมีเป็นข้อแรกอย่างนี้แล้วคิดว่าพุทธการกธรรมคงไม่ใช่มีแต่เพียงเท่านี้เมื่อใครครัวหาอยู่ก็ได้เห็นศีลบารมีที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่ปางก่อนได้อบลมสั่งสมมาจึงกล่าวสอนตน ต, อนต่อไปว่าหากเธอปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วไซเพรเธอจำบำเพ็ญศีลบารมีเธอ อันว่าจำเรีรักษาขนหางแม้ติดอยู่ในที่ใดก็ยอมตายอยู่ในที่นั้นไม่ยอมให้ขนหางเสียไปฉันใดเธอจงบำเพ็ญศีล ร, รักษาศีลทั้งสี่ให้บริบูรณ์ในการทุกเมื่อจุดูจำเรีรักษาขนหางของตนฉันนั้นพระบูธิสัตว์ครั่นเห็นศีลบา ร, รมีนี้เป็นข้อสอบแล้วใครครหาต่อไปก็ได้เห็นเนมฆธรรมบารมี ที่พระโพธิสัตว์ท่องหลายตะางก่อนได้สังสมอบรมมาจึงกล่าวสอนตนเองต่อไปว่าหากเธอปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาเแล้าไซเธอจงบำเพ็ญเนธขรร ม, มบารมีเธออันว่าคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำได้รับแต่ความทุกข์ทรมานปราศจากอิสรภาพย่าไม่ปรารถนาที่จะอยู่ ไขว่ค้าแต่หาช่องทางให้พ้นออกไปจากเรือนจำนั้นฉันใดเธอจงเห็นพบทั้งปวงเสมือนเรือนจำจงมุ่งหน้าต่อเนคขมมะเพื่อสแสวงหาทางหลุดพ้นไปจากภพฉันนั้นพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นเนคขมมะบา ร, รมีเป็นข้อสามอย่างนี้แล้วไตร่ตรอต่อไปก็ได้เห็นปัญญาบา ร, รมีที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะฟางก่อนได้สั่งสมอบรมมา จึงกล่าวสอนตนเองต่อไปว่าหากเพอปรารภนะจะ บ, บรรลุพระโพธิญาณแล้วซเธอจงบำเพ็ญปัญญากระมิเดิดอันว่าพิสุขเมื่อเที่ยวบินธบาศมิได้เลือกว่าทายกทายิกาจะอยู่ในตระกูลชั้นต่ำชั้นกลางหรือชั้นสูงย่อมปรับบินธบาทพออย่างอัตภาพให้เป็นไปฉันใดเธอจงเข้าไปหาบัณฑิต สอบถามเรียนรู้กับบัณฑิตผู้มีปัญญาทุกท่านโดยไม่เลือกตลอดการทั้งปวงเมื่อถึงฝั่งแห่งปัญญาบรารมีแล้วจะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ฉันนั้นพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นปัญญาบรารมีเป็นข้อที่สี่อย่างนี้แล้วใคร่ชวญหายิ่งขึ้นไปก็ยิ่งได้เห็นเวยรยะบรารมีที่พระโพธิสัตว์ ท, ทั้งหลายจะฟังก่อนและอบรมสั่งสมมา จึงกล่าสอนตนเองต่อไปอีกว่าหากเธอปราถนาจะบรรลุพระโพธิญาแล้วไซเธอจงบำเพ็ญวิริยะบา ร, รมีเถิดอันว่าพระสีมีความเพียรไม่ย่อหย่อนในอริยบทนั่งนอนยืนเดินประคองใจไว้ทุกเมื่อฉันใหญ่เธอจงประคองความเพียรไว้ให้มั่นคงในพบทั้งปวงเริ่มตั้งความเพียร ถึงแ่งแห่งเวรยะบารมีแล้วก็จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ฉันนั้นพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นเวรยะบารมีเป็นข้อที่ห้าอย่างนี้แล้วใครควรหาให้ยิ่งขึ้นไปก็ได้เห็นขันติบารมีที่พระโพธิสัตว์ท่องหลาจะปางก่อนได้เคยอบ ร, รมสั่งสอนมาจึงได้กล่าวสอนตนเองต่อไป เธอปรารถนาจะบรรลุรับโิยาแล้วใส้เธอจงบำเพ็ญคันติบารมีมีใจแน่วแน่ใ น, นขันติบารมีอันว่าแผ่นดินย่อมอดทนต่อสิ่งของที่ทิ้งลงมาซึ่งมีทั้งที่สะอาดบ้างและไม่สะอาดบ้างไม่รู้สึกยินดียินร้ายฉันใดเธอจงอดทนต่อการยกจ้องและการเหยียดหยามของชนทั้งปวงฉันนั้น ถึงฝังแห่งขันติบา ร, รมีแล้วก็จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้พระโพธิสัตว์ทั้นเห็นขันติบา ร, รมีเป็นข้อที่หอย่างนี้แล้วเมื่อใคร่โจรหาต่อไปอีกก็ได้เห็นสัจจะบา ร, รมีที่พระโพธิสัตว์ทัางหลายจะปางก่อนได้สังสมอบรมมาจึงกล่าวสอนตนเองต่อไปว่าหากเธอปรารถนา จะบรรลุเพระโพธิญาแล้วไซเธอจงบำเพ็ญสัจจบารมีมีวาจาแน่นอนไม่เป็นสองอันวาดาประกาศพลึกเป็นดาลประเคราะห์ที่เที่ยงตรงไม่โครจร อ, ออกนอกวิถีโครจรในวันริวร้อนกระดูฝนกระดูหนาวแม้ฉันใดถึงเธอก็ฉันนั้นจงอย่าเดินออกนอกวิถีทางในสัจจทั้งหลายถึงฝั่งแห่งสัจจบารมีแล้ว จะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้พระโพธิสัตว์ครั้นเห็นสัจจะบา ร, รมีเป็นข้อที่เจ็ดอย่างนี้แล้วเมื่อใคร่ขวนหายิ่งขึ้นไปอีกก็ได้เห็นอธิษฐานบา ร, รมีที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะฟางก่อนได้เคยอบรมสั่งสอนมาจึงได้กล่าวสอนตนเองต่อไปว่าหากเธอปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วใสเธอจงบำเพ็ญอธิษฐานบา ร, รมี เป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีอันว่าผู้ผาตั้งมั่นดีแล้วย่อมไม่ไหวด้วยลมแรงกล้าแม้ปานใดย่อมตั้งอยู่ในฐานของตนโดยไม่ขยับเคลื่อนที่ฉันใดเธอจึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีทุกเมื่อไปฉันนั้นเธอบำอเพ็ญอธิษฐานบารมีแล้วก็จะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ โพธิสัตว์ครั้นเห็นอธิษฐานบา ร, รมีเป็นข้อที่แปอย่างนี้แล้วเมื่อใครสวนหาให้ยิ่งขึ้นไปก็ได้เห็นแม่ตาบา ร, รมีที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะปางก่อนได้เคยสั่งสมอบรมมาจึงได้กล่าวสอนตนเองต่อไปว่าหากเธอปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณแล้วไซเธอจงบำเพ็ญแม่ตาบา ร, รมีจงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอด้วยแม่ตาอันว่าฝนเมื่อตกแล้ว ย่อมไหลและแผ่ความเย็นไปเสมอกันโดยไม่เลือกที่ชันใดเธอจงจเจริญเมตตาให้เสมอกันทั้งในคนดีและคนชั่วทั้งในศัตรูและมิตรจงแผ่เมตตาไปให้สม่ำเสมอในคนที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและคนที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเธอจงบำเพ็ญเมตตาบารมีแล้วจะบรรลุพระสัมโคธรียาได้ถันนั้นพระโพธิสัตว์ ท่านเห็นอธิษฐานบา ร, รมีเป็นข้อที่เก้าอย่างนี้แล้วเมื่อคร่ครวญหายิ่งขึ้นไปอีกก็ได้เห็นอุเบกขาบา ร, รมีที่ตระโพธิศัพท์ทั้งหลายจะปางก่อนได้เคยสั่งสมอบรมมาจึงได้กล่าวสอนตนต่อไปว่าหาเธอปรารถนาจะบรพรลุรับโพธิญาแล้วไซเธอจงบำเพ็ญอุเบกขาบา ร, รมีจงเป็นผู้มั่นคงดุรตราชูอันธรรมดาแผ่นดินย่อมวางเฉยต่อสิ่งที่ทิ้งลงมา ทั้งที่สะอาดและไม่สะอาดทั้งสองอย่างเว้นจากความยินดียินร้ายฉั้นใดเธอจงเป็นผู้มั่นคงดุจตราชูในสุขและทุกทุกเมื่อควเห็นอุเบกขาบ ร, รมีแล้วก็จะเป็รลุพระสัมโพธิญาณได้ฉันนั้นสุมเมธาบันดิต ใครโจรหาธรรมซึ่งอบรมบ่มพระโพธิญาณในโลกสิบประการเหล่านี้แล้วคิดว่าพุทธการละกตธรรมทั้งหลายที่พระโพธิสัตว์พึงบำเพ็ญในโลกนี้มีเพียงนี้เท่านั้นไม่มียิ่งขึ้นไปกว่านี้บารมีทั้งสิบเหล่านี้ในอากาศเบื้องบนก็ไม่มีในแผ่นดินเบื้องต่ำก็ไม่มีแม้ในทิศทั้งหลายก็ไม่มีแต่ทว่ามีประจิตสถานอยู่ภายในใจของเรานี้เอง การเห็นบา ร, รมีเหล่านั้นตั้งอยู่ในใจอย่างนี้แล้วจึงสมาทานบา ร, รมีทั้งหมดไว้มั่นแล้วพิจารณาโดยอนุโลมและปฏิโลมจากเบื้องต้นให้ถึงเบื้องปลายจากเบื้องปลายให้ถึงเบื้องต้นจากตรงกลางให้ลงถึงเบื้องปลายทั้งสองจากเบื้องปลายทั้งสองให้ลงถึงตรงกลางขณะที่รพระโพธิสัตว์กําลังพิจารณาบา ร, รมีทั้งหลายอยู่แผ่นดินในโลกธาตุทั้งมวล พร้อมทั้งเทวโลกก็ได้หวันไหวสะเทือนสะท้านบรรดาชาวเมืองปรามนครซึ่งกำลังอังคาบพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่สามารถดำรงการอยู่ได้ลม้มลงราวกับต้นสาระใหญ่ถูกลมพายุเมื่อจะสิ้นยุคพัดหักไปมหาชนตกใจต่างพากันไปทูลถามพระภีปังกรพุทธเจ้าถึงเหตุนั้นพระภีปังกรุทธเจ้าจึงตรัส พระสถานี้ว่าเราได้พยากรณ์ผู้ใดไว้ว่าจะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นพิจารณาอยู่ซึ่งบรณะธรรมที่พระชินเจ้าได้อบรมมาแล้วเมื่อท่านผู้นั้นพิจารณาธรรมอันเป็นพุทตภูมจนหมดสิน้นพื้นแผ่นดินหนึ่งหมือในโลกพร้อมทั้งแถวโลกจึงไหวเพราะเหตุนั้น เมื่อพระโพธิสัตว์กำลังลุกจากอาสนะเทวดาทั่วมื่นจกนักรวาลได้ประชุมบูชากันด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นสรรเสริญคุณอันเป็นชัยมงคลด้วยประการต่างๆพระโพธิสัตว์อันเทวดาทั้งหลายสรรเสริญคุณประการต่างๆทนี้แล้วจึงเข้าไปถวายบังคมพระที่ังกรพุทธเจ้าในพระวิหารและวกลับไปยังธรรมนิกบรรพ ด, ดังเดิมยำรงชีพ อยู่หน้าที่นั้นจนตลอดอายุไขเมื่อสิ่งอายุแล้วก็ได้ไปบังเกิดในทมมโลก ลำดับพุทธพยากรณ์พระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานี้หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์จากพระทีพังคพรพุทธเจ้าแล้วพระองค์ยังได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอียี่จุสามพระองค์ดังต่อไปนี้ สมัยของพระโกนธัญพุทธเจ้าสมัยของพระมังคลพุทธเจ้าสมัยของพระสุมณพุทธเจ้าสมัยของพระเลวตะพุทธเจ้าสมัยของพระโสพิตะพุทธเจ้าสมัยของพระอนุมัตสีพุทธเจ้าสมัยของพระปะทุมะพุทธเจ้าสมัยของพระนารถพุทธเจ้าสมัยของพระปะทุมุตระพุทธเจ้า สมัยของพระสุเมธาพุทธเจ้าสมัยของพระสุชาติพุทธเจ้าสมัยของพระปิยธาศีพุทธเจ้าสมัยของพระอัฏฐธาศีพุทธเจ้าสมัยของพระธรรมธาศีพุทธเจ้าสมัยของพระสิทธัถาพุทธเจ้าสมัยของพระติสสะพุทธเจ้าสมัยของพระพุทธสะพุทธเจ้าสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าสมัยของพระ สิกขีพุทธเจ้าสมัยของพระเรวสสภูพุทธเจ้าสมัยของพระกะกุศันธาพุทธเจ้าสมัยของพระโกนาคมนพุทธเจ้าสมัยของพระกัสปะพุทธเจ้า ผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายได้รับการพยากรณ์ในสนํานกของพระพุทธเจ้ายี่สิบสี่พระองค์มาตลอดถึงสี่อสงไขยกับอีกแสนกับด้วยประการชนี้ผู้คนผู้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่นั้นจะสำเร็จได้ส้ประกอบด้วยธรรมะแต่ประการที่เรียกว่า อัตถธรรมมโสมทานคือ 1. นมนุสสตะความเป็นมนุษย์ 2. ลิงคสัมปติความถึงพร้อมได้เพศคือบุุษเพศ 3. เหตุมีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลได้ 4. สัทธาราทัศนะได้พบพระพุทธเจ้าในขณะที่ยังทรงพระชนอยู่ 5. อภปชาการได้บันะชาอุปสมบท คุณสมบัติสมบูรณ์ด้วยคุณคือเป็นผู้ได้อภิญญาห้าและสมาบัติแตเจ็ดอาธิการการกระทำอันยิ่งใหญ่คืออาสลัชีวิตแก่พระพุทธเจ้าได้แฉันทะตาความมีฉันทะบุษาหะความเพญพุทธกรกธรรมพระโพธิสัตว์ พระมูลทำแปประการนี้แล้วทรงบำเพ็ญบารมีสิบประการเทิดทูลไว้แทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าทั้งยี่สสี่พระองค์จวกจนถึงเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรจากนั้นจึงได้บรรลุพระสัมมาสัมพโพธิญาณเนื้อหาสาระ ที่ดัานดารับฟังทั้งหมดนี้ได้มาจากหนังสือพระพุทธประวัติรวบรวมและเรียบเรียงโดยคุณสุรีมีผลกิจและคุณวิเชยนมีผลกิจต้องขออนุโมทนาขอบพระคุณมนับที่นี้เป็นอย่างสูงต่อไปนี้ จะได้นำเรื่องราวบางตอนของการบำเพ็ญบรรมีของพระพุทธเจ้าในหนังสือพระไตรปิฎกขุตกาศยิกายจริยาปิฎกเพื่อเติมเสริมกำลังใจในการทำคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปโปรติดตาม ร, รับฟังเรื่องราวได้นาบัดนี้ จะได้นาเสนอเรื่องของสิวิราชาจริยาในอดีตการครั้งเมื่อพระเจ้าสิวิครองราชสมบัติอยู่ในอริ t ฐโก ร, รุรนครนแครนสีพีพระมหาสัตว์ทรงอุบาตว์เป็นพระราโชรสของพระเจ้าสิวิราชนั้นพระนามของพระมหาสัตว์นั้นเรียกว่า สิวิกุมานครังธรรมาสัตว์เจริญไว้ได้เสด็จไปยงงามเมืองตะกะศีดาทรงเล่าเรียนศิลปะสําเร็จแล้วเสด็จกลับทรงแสดงศิลปะแก่พระบิดาได้รับตําแหน่งอุปราชต่อมาพระบิดาสวรรคตได้เป็นพระราชาทรงละอัคติทรงตั้งอยู่ในราชธรรมครองราชสมบัติทรงให้สร้างโรงทานหกแห่งคือที่ปรับตูพระนครสี่แห่งท่ามกลางพระนครหนึ่งแห่ง ที่ประตูพระราชนิเวศน์หนึ่งแห่งทรงบริจาคมหาทานวันละหกแสนทุกวันในวันแปดค่ำสิบสี่ค่ำและสิบห้าค่ำแด้เสด็จไปยังโรงทานด้วยพระองค์เองทรงตรวจตราโรงทานบางคราวในวันขึ้นสิบห้าค่ำตอนเช้าตรู่พระองค์ประทับนั่งบนราชบัลลังก์ภายใต้พระสวัสดิรชที่ยกขึ้นและทรงําริกว่าทานภายนอกของเรา ไม่ยังจิตให้ยินดีเหมือนทานภายในใช่นหนอในเวลาที่เราไปยังโรงทานจะมีผู้ขอรายๆไม่ขอวัตถุภายนอกพึงขอวัตถุภายในอย่างเดียวก็หากว่าใครๆพึงขอเนื้อหรือเลือดในร่างกายของเราศีรษะเนื้อหัวใจในตาร่างกายขึ้นหนึ่งหรืออัตภาพทั้งสิ้นเอาไปเป็นธาตเราก็ยังความประสงค์ของผู้นั้นให้บริบูรณ์ในทันที ซึ่งสามารถจะให้ได้แต่ในพระบาลีกล่าวไว้ว่าเป็นเพียงแค่ในตาเท่านั้นก็มืออัตยาศัยในการให้อันกว้างขวางเกิดขึ้นแก่พระม้าสัตว์อย่างนี้บรรทุกกรรมผลศีลอาจของท้าศกษะแสดงอาการร้อนท้าศกะนั้นทรงรำพึงถึงเหตุนั้นได้ทรงเห็นอัธยาศัยของพระม้าสัตว์ว่า พระเจ้าสีวิราชทรงตำหนิว่าวันนี้หากมีผู้มาขอดวงตาของเราเราก็จะฟักดวงตาให้เขาลำดับนั้นท้าศักกะจึงตรับแก่เทพบริษัทว่าเราจะทดลองพระโพธิสัตว์ดูก่อนว่าจะสามารถให้ดวงตาจรหรือไม่เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงสงสนาด้วยน้ำหอมสิบหกบ่อแล้วสมประดับด้วยฉันพลังการ ทรงประทัดบนคอชามพระ่นั่งซึ่งตกแต่งไว้เป็นอย่างดีเสร็จไปยังโรงทานเท้าสักกักจึงทรงแปลงเพศเป็นคามตาบอดเป็นคนแกงง ก, มกมเงื่อนทรงเหยียดพระพาหาทั้งสองในที่เป็นเนินแห่งหนึ่งให้อยู่ในคลองจักสุ ข, ขอพระบุธิสัตว์นั้นแล้วทรงยืนถวายพระพรขอให้พระราชาทรงทรงพระเจริญพระบพิสัตว์ ทรงชัดช้างไปตรงหน้าของพระามแปลงนั้นแล้วตรัสถามว่านี่เน่ยท่านาพระามท่านต้องการอะไรข้ากต่ท่านพระบาทโปรดทรงธทำลงปกครองรับให้จเจริญข้าพระองค์จะขอกับพระองค์กติคุณคือความดีในชานของพระองค์ขอจอรไปในเทวดาแะมนุษย์หน่วยตาแม่ทั้งสองของข้าพระองค์บ่อเสียแล้วขอพระองค์ จงทรงพระราสาท พ, พ, พระเนตรข้างดึงแก่ข้าพระองค์เทิดและพระองค์จะทรงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยพระเนตรข้างหนึงพระมารรั์ได้ทรงสรับดังนั้นทรงมีจิตยินดีแต่เกิดพระกําลังใจว่าเรานั่งอยู่บนปราสาทสถิตยอย่างนี้แล้วมาเดี๋ยวนี้เองกรามนี้ ขอดวงตาจุดรู้ใจของเราเป็นลาภของเราเสียสิ่งหนอวันนี้ความปรารถนาของเราจะถึงที่สุดเราจะให้ทานที่ไม่เคยให้ลำดับต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ทรงตริว่าพรามนี้ขอดวงตาแม้ไข่ไข่ก็ให้ไดา้ยากจะเรา รู้ว่าราชิตของเราน่ากลัวจะเป็นเทพองค์หนึ่งแนะนํามาหรืออย่างไรเราจะถาาดูก่อนดูก่อนบริพกใครแนะนําท่านท่านจึงมานัดที่นี้เพื่อขอดวงตาท่านขอดวงตาอันเป็นอวัยวะสําคัญที่คนสลักให้โดยยากในเทวโลกเรียก ว, ว่าเท้าวสุธรรมปดีในมนุษย์โลกเรียก ว, ว่าเท้ามะขวาข้าพเจ้าเป็นมณิพก เท้าวมาขวาแนะนำจึงมาณที่นี้เพื่อขอดวงตาข้าพเจ้าขอดวงตาของท่านขอท่านจงให้สิ่งที่ขออันไม่มีอะไรอีกไปกว่านี้แต่ข้าพเจ้าผู้ขอด้วยเถิดขอท่านจงให้ดวงตาจี่ข้นสละให้โดยยากแก่ข้าพเจ้าเถิดดูกรพรามท่านปรารถนาประโยชน์อันใดความปรารถนาเหล่านั้นจงสาเร็จแก่ท่านเถิดท่านจงเอาดวงตาไปเถิด เมื่อท่านเอาดวงตาข้างหนึ่งเราจะให้สองข้างท่านมีดวงตาจงไปเพ่งดูชนเถิดท่านปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านพระราชาทรงคิดต่อไปว่าครา น, นี้เท้าศักดิแนะนำจึงมหาเราในที่นี้ดวงตา จะสำเร็จบริบูรณ์แก่พราหมณ์นี้ด้วยอุบายนี้เป็นแน่แท้แต่เราไม่ควรควักดวงตาให้ในที่นี้ลําดับนั้นพระราชาทรงพาพราหมณ์เข้าไปภายในพระนครประทับนั่งอยู่บนราชอาณาจัรตับเล็หมอชี่ซีวะกะก็ในลําดับนั้นได้เกิดเออกระเละโคลาหนเกิดขึ้นทั่วพระนครว่าในว่าพระราชาของพวกเราจะมีพระประสงค์จะให้หมอควักดวงพระเนตร ให้แก่พราหมณ์ครั้งนั้นพวการาชวัลลบของราชามีพระยาและเสนาบดีเป็นต้นเหล่าอมาลบริษัทชาวพระนครเหล่าสนมทั้งหมดได้มาประชุมกันทูลห้ามพระราชาด้วยปุบายต่างๆแม้พระราชาก็ามไม่ได้ทรงคล้อยตามบุคคลเหล่านั้น ข้าแต่พระราชาขอพระองค์อย่าพระราชทานพระเนตรเลยอย่าทิ้งพวกข้าพระองค์ทั้งปวงเสียเลยข้าขแต่มหารอดขอพระองค์จะให้ทรัพย์คือแก้มุกดาแก้วไพทุนซึ่งมีอยู่มากมายข้าแต่พระองค์ขอจงพระราชทานรบเทียมมาอาชไลที่ปรับแล้วก็พอข้าแต่พระองค์มหารอดขอจงพระราชทานช่องเครื่องดุ่มผมทำสิท้องขอบียงพอแล้ว แต่พระองค์ูประเสริฐในรัตสมบัติชาวสิพีทั้งปวงพร้อมโดยยวดยาพร้อมโดยรถก็ยังแวดล้อมพระองค์อยู่โดยรอบทุกเมื่อขอพระองค์จงพระราชทานอยา่างอืนเถิดก็ในลำดับนั้นพระราชาจัดอยู่ดังนี้ต่อไปว่าผู้ดแลกล่าวว่าจะให้แล้วตั้งใจไม่ให้ผู้นั้นย่อมสวมบ่วงที่ตกลงไปบญแผ่นดินที่คอผู้ใดกล่าวว่า จะให้แล้วตั้งใจไม่ให้ผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าผู้ลามกจะตกนรกของพยายมเมื่อเขาขอสิ่งใดควรให้สิ่งนั้นเมื่อเขาไม่ขอสิ่งใดไม่ควรให้สิ่งนั้นเราจะให้สิ่งที่ทางขอ แต่พระองค์พระองค์ทรงปราถนาอะไรจึงหระราชถานพระเนศเราไม่ได้ปราถนาสมบัติในปัจจุบันหรือในภพหน้าที่แท้ทางนี้เป็นทางเก่าแก่ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายประพฤติสังสมกันมาคือการบำเพ็ญธานบารมี จากนั้นพระราชาได้กระตุ้ยคำมาทั้งหลายให้รับรู้แล้วกล่าวเรียกหมอสิวะกาะว่าดูก่อนสิวะกาะจงมานี่แนี่ยจงลุกขึ้นมาอย่าชักช้าอย่าขั่งค้ามจงควักดวงพระเนศของเราทั้งสองข้างออกให้แก่วันนี้พกเถิดก็ในลําดับนั้น หมอได้คิดอยู่ในใจว่าหมอผู้ชำนาญเช่นเราไม่ควรใช้มีถาตัดพระเนตรของพระราชาเลยดังนั้นแล้วหมอจึงได้บทเพสัดเอาผงเพสัตดผสมเกสรบัวแล้วโรยพระเนตรข้างขวาพระเนตรกรอไปมาเกิดทุกขเวทนาหมอได้ผสมแล้วโรยอีกพระเนตรก็ได้พ้นจากเบ้าตา เกิดทุกขเวทนารุนแรงกว่าเก่าครั้งที่สามหมอได้ผสมเพสัตแห่แรงขึ้นกว่าเก่าแล้วร้อยลงไปอีกพระเนธหมุนหลุดออกจากเบ้าตาด้วยกาลังแห่งเพสัตห้อยติดอยู่ด้วยสายเอ็นเกิดเวทนารุนแรงยิ่งขึ้นพระโลหิตไหลแม้พระภูษาก็ได้ส่งชุ่มพระโลหิตกวกสนมอมาตมอบลงแทบท้าพระบาทขอมราชาร้องไห้คลั่งครวนว่า แต่พระองค์ขอพระองค์อย่าพระราชทานพระเดชสังเลยอย่าประราชทานพระเดสังเลยพระเจ้าค่ะพระราชาทรงอดกั่นเวทนาแล้วตรัสว่าอ๋ออย่าชักชา้าไปเลยพวกคุณหมอท่านหมอจงทำต่อไปเถอะหมอทูลรับสนองแล้วยิพระแม่ด้วยมือซ้ายจับซาตราด้วยมือขวา แล้วตัดสารพระเนตรยิบพระเนตรวางไว้บนพระหัตถ์ของพระมหาศัตว์พระมหาสัตว์ทรงทอดพระเนตรพระเนตรข้างขวาด้วยพระเนตรข้างซ้ายเสวยทุกขเวทนาทรงข่มไว้ด้วยปิติในการบริจาครับสั่งเร่ถามว่าท่านพราม์ท่านถามจงมาเถิดสมัญตจักรสุของเราเป็นที่รักมากกว่าในตาของเราต้องร้อยเท่าแสนเท่า การให้ดงวงตาของเรานี้จงเป็นปัจจัยแห่งสมัญต์จักษุคือพระสัพพัญยุตยา น, นี้เถอะและพระองค์ก็ได้พระราชฐามพระเมษแก่พรามพรามหยิบพระเมษนั้นใส่ที่ในตาของตนพระเนตรนั้นปรากฏดุจ ด, ดอกบัวแย้มด้วยอนุภาพแห่งพรามแปลงนั้นพระมหาสัตว์ทรงเห็นในตาของพรามด้วยพระเมษข้างซ้าย มีพระวรากายทราบซ้านด้วยปิติพุทธขึ้นภายในเป็นลำดับว่าโอ้เราได้ให้ในตาดีแลนอลลำดับนั้นจึงพระราชทาอีข้างหนึ่งแม้เท้าสักด ก, กก็กระทําอย่างเดิมสเสด็จออกจากพระราชนิเวศเมื่อมหาชนแลดูอยู่นั่นเองสเสด็จออกจากพระนครกลับไปสู่เทวโลก ในไม่ช้านักพระแน่ขอพระราชายังไม่ถึงเป็นหลุมมีก้อมพระมังสะขึ้นเต็มดุดลูกคลีหนังหุ้มด้วยผ้ากรมคนฉะนั้นงอกขึ้นดุดรูปจิตกรรมเวทนาหายไปลำดับนั้นพระมหาสัตว์ประทับอยู่ณนะปราศาสตร์สองถึงสามวันทรงดำริกว่าป้าคนตาบอดจะครองราชสมบัติไปทำไมเราจะมอบราชสมบัติให้แก่อำมาทั้งหลาย และจะไปยังพระราชอุทยานบวชบำเพ็ญสมณธรรมลำดับนั้นพระองค์ทรงแจ้งความนั้นแก่พวกอมาตะกล่าวว่าราชบุตรคนหนึ่งทำหน้าที่ให้น้ำล้างหน้าเป็นต้นยงอยู่กับเราแม้ในที่นี้เราจะทำชรีรกิจพวกท่านจงผูกเชือกไว้ให้เราแล้วเสด็จขึ้นเสลียงประทับนั่งเหนือพร้าราชบัลลังใล้ฟังโบครณี แม่พวกอมาะรวัตบังคมแล้วก็พากันกลับพระโพธิสัตว์พทรงรอรึกถึงทานของตนในขณะนั้นอาสนะของเท้าสักกะแสดงอาการร้อนท้าสักกะทรงเห็นดังนั้นทรงดำริว่าเราจะให้พรแกมหาร่าและทาพระเมตให้เป็นปกติอย่างเดิมท้าสักกะจึงเสด็จเข้าไปใกล้พระโพธิสัตว์ทรงกระทำเสียงพระบาทพระมหาสัตว์ ทรงตรัสถามนั่นใครท้าสักกะตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นท้าสักกะจอมเทศมาหาท่านข้าแต่ท่านผู้เป็นราชฤาษีท่านจงเลือกพนที่ท่านปรารถนาเถิดข้าแต่ท้าสักกะทรัพย์ของข้าพเจ้านั้นก็มีมากพอแล้วทั้งคนทหารและท้อมพระขังก็มีไม่น้อยบัดเนี้เมื่อข้าพเจ้าตาบอดขอบความตายเท่านั้น ข้าแต่ท่านสิกิราท่านประสงค์จะตายเพราะความตายหรือหรือว่าเป็นเพราะว่าท่านตาบอดตาบอดสิพระองค์ข้าแต่มหาว่าชื่อว่าฐานไม่ได้เหตุผลเพื่อพบอย่างเดียวเท่านั้นยังเป็นปัจจัยแม้เพื่อผลในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นนนั้ท่านจงตั้งสัตยาทิฏฐานอาศัยบุญแห่งทานของท่านเถิด โดยกำลังแห่งสตัตยาธิษฐานนั่นแหละในตาของท่า น, นจะเกิดขึ้นเหมือนอย่างเดิมพระพูทธสั์ ได้รับการแนะนำจากท้าวสักกะเช่นนี้แล้วจึงได้กล่าวสัตย์ยาทฐานว่าผู้ใดมาเพื่อขอกระเราในบรรดาผู้ที่มาเหล่านั้นผู้ใดออกปากว่าขอพระองค์จงพระราสถทานสิ่งนี้เถิดขอกับเราแม้ผู้นั้นก็เป็นเทียรักของเราหาผู้ขอแม้ทั้งหมดเป็นเทียรักของเราคำที่เรากล่าวเล้านั้นเป็นความจริง ด้วยสัจจวาจาของเหล่านี้ขอในตาข้างที่หนึ่งจงเกิดขึ้นเหมือนอย่างเดิมเถิดก็ทำใด น, นั้นเองพระเนธดวงที่หนึ่งก็เกิดขึ้นพร้อมกับช่อดำรัดของพระมหาสัตว์ต่อจากนั้นเพื่อให้พระเนตรดวงที่สองเกิดขึ้นพระมหาสัตว์จึงได้กล่าต่อไปว่าถานขึ้นมาเพื่อขอกับเราว่า ขอท่านจงให้ในตาเถิดเราได้ให้ในตาทั้งสองข้างแก่พรามผู้มาขอนั้นปิติล้นพ้นได้เข้าไปถึงเราความสมนัตไม่น้อยบังเกิดขึ้นด้วยสัจาวาจานี้ขอในตาดวงที่สองของเราจงเกิดขึ้นเถิดก็ในครั้งนั้น เมื่อพระเนธเกิดขึ้นแล้วด้วยสัพยาธิฐานของพระโพธิสัตว์พวกราบบริษัททั้งหมดได้ประชุมกันด้วยอนุภาพของท้าสัต ก, กะก็ในลำดับนั้นท้าสัต ก, กะประทับยืนอยู่บนถ้นกลาอากาศกล่าวสรรเสริญกับมหาชนท่านบูยังชาวศรีพีให้เจริญคาถาท่านหลายท่านกล่าวโดยธรรมกระเนะทั้งสองของท่านปรากฏเป็นของทิพย์การเห็นโดยรอบหนึ่งรอยโยธ ผ่านนอฟ้านอกหินและภูเขาจงสําเร็จแก่ท่านเถิดแล้วท้าวสัตยกะก็ได้เสร็จกลับสู่เทวโลกแม้ทระโพธิสัตว์ก็ได้แวดล้อมด้วยมหาชนเสร็จเข้าสู่พระนครด้วยสัต ก, การะอันยิ่งใหญ่เมื่อตระเตรียมประตูพระราชมณฑเพียงเรียบร้อยแล้วประทับนั่งเหนือราชบัลลังก์ภายใต้เวตฉัตรที่เขายกขึ้นไว้นะมหาบนดบ เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ชาวพระนครชาวชนบทและราชบริษัทผู้ยินดีร่าเริงเบิกบานด้วยการได้พระเนตรคืนมาเพื่อจะได้เห็นจึงตรัสคาถาเหล่านี้ว่าใครหนอในโลกนี้เขาขอแล้วไม่ให้สมบัติอันประเสริฐบ้างเป็นที่รักบ้างของตนเชิญเกิดชาวเสียีทั้งหลายทั้งปวงจงมาประชุมกันดูในตาทิศของเราในวันนี้เถิด หลังจากนั้นพระพุทธสัตว์รงประชุมมหาชนในอุโบสถทรงแสดงธรรมแม้ทุกกึงเดือนเพื่อประการัชนีมหาชนได้สดับพระธรรมนั้นแล้วจางทําบุญมีทานเป็นต้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกหมอในครั้งนั้นได้เป็นพระอานอนเทเถระในครั้งนี้เท้าสักกะคือพระอนุรุทธเถระ บริษัทที่เหลือคือพุทธบริษัทพระเจ้าสิวิราชคือพระโลกนาฏ